ชีวิตของพวกเราทุกคนมีส่วนประกอบอยู่สองส่วนด้วยกันคือหนึ่งร่างกาย 2. จิตใจการที่ร่างกายและจิตใจของพวกเราจะอยู่กันอย่างมีความสุขปราศจากความทุกข์ก็ต้องมีเครื่องสนับสนุน หรือที่พึ่งถ้าขาดเครื่องสนับสนุนทั้งทางร่างกายและทางจิตใจร่างกายก็จะไม่สบายจิตใจก็จะไม่สบายแต่ถ้าร่างกายและจิตใจมีเครื่องสนับสนุนมีที่พึ่งร่างกายก็จะอยู่เย็นเป็นสุข จิตใจก็จะอยู่เย็นเป็นสุขดังนั้นการที่จะทำให้ชีวิตของเรามีความร่มเย็นเป็นสุขปราศจากความทุกข์ยากลำบากต่างๆเราก็ต้องมีที่พึ่งกันมีสิ่งที่จะมาดูแลร่างกายและจิตใจของพวกเรา ที่พึ่งทางร่างกายนี้ก็คือปัจจัยสี่ได้แก่อาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยที่พึ่งทางใจก็คือคำสั่งคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เองคือคือการทำทานการรักษาศีล การภาวนาถ้าเรามีที่พึ่งทางร่างกายร่างกายก็จะอยู่สุขสบายถ้าเรามีที่พึ่งทางใจใจเราก็จะอยู่อย่างสุขสบายส่วนใหญ่พวกเรานี้จะมีที่พึ่งทางร่างกายกันร่างกายของพวกเราส่วนใหญ่ จะอยู่กันเป็นปกติสุขจะไม่ทุกข์ยากลำบากเพราะเรามีปัจจัยสี่พร้อมเพรียงตลอดเวลาเรามีอาหารรับประทานทุกวันมีเครื่องนุ่งห่มไว้สวมใส่มีที่อยู่อาศัยไว้หลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆและมียารักษาโรค เวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยส่วนจิตใจของพวกเรานี้ยังไม่พร้อมด้วยปัจจัยที่พึ่งของทางใจใจของเราส่วนใหญ่กันยังมีความทุกข์มีความไม่สบายใจต่างๆเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเพราะเราไม่ได้ให้ความสำคัญ ต่อการสร้างที่พึ่งทางใจกันนั่นเองเพราะอาจจะเป็นเพราะความไม่รู้ของพวกเราไม่รู้ว่าใจนี้ต้องมีที่พึ่งเหมือนทางร่างกายเพราะเราไม่รู้จากใจของเราเราไม่เห็นใจของเรานั่นเองเราคิดว่าเรามีเพียงแต่ร่างกายเราจึงทุ่มเทชีวิตจิตใจ ให้กับการเลี้ยงดูร่างกายเพียงอย่างเดียวร่างกายของเราจึงอิ่มน้ำสำลานอิ่มมีพีมันมีความพร้อมทางร่างกายอาหารก็มีตลอดเวลาเสื้อผ้าก็มีมากมายที่อาศัยก็มีหลายหลังสำหรับบางท่าน ยารักษาโรค ก, ก็มีอยู่ตลอดเวลาที่ต้องการใช้ยาเมื่อไหร่ก็สามารถหามาใช้ได้ทันทีร่างกายของพวกเราจึงไม่ค่อยมีปัญหากันเท่าไหร่แต่ปัญหาส่วนใหญ่ของพวกเรานี้อยู่ที่จิตใจจิตใจมักจะไม่ค่อยสบายใจกันไม่สบายใจกับเรื่องนั้นบ้างกับเรื่องนี้บ้าง กับสิ่งนั่นบ้างกับสิ่งนี้บ้างเพราะว่าเราไม่ได้มาหาที่พึ่งให้กับใจนั่นเองหรือถ้าหาก็หาแบบขอไปทีหาแบบพอหอมปากหอมคอเช่นที่พึ่งสิ่งแรกที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราสร้างให้กับใจก็คือ การทำทานแปบลบว่าการให้เรามักจะไม่ค่อยให้อะไรกับใครมากนะักนานๆจะให้กันสักครั้งหนึ่งต้องมีโอกาสมีเหตุการณ์จริงๆถึงจะให้กัน mm. เช่นเวลามีวันสำคัญทางศาสนาเราก็ทำบุญทำทานกันสำหรับคนส่วนใหญ่ แต่มีคนบางผูททงนน้คนที่ทำทานอย่างสม่าเสมอก็มีแต่เป็นส่วนน้อยคนที่ทำทานอย่างสม่าเสมอนี้มักจะเป็นคนที่ได้ยินได้ฟังธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆเขาจึงรู้ได้เห็นความสำคัญของการให้ทานของการ ทำทานเพราะรู้ว่าเป็นเหมือนกับการให้ที่พึ่งทางใจนั่นเองแต่คนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เข้าวัดไม่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมกันจะไม่ค่อยได้ทำทานกันเป็นปกติจะทำกันเฉพาะเวลามีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเท่านั้นเช่น วันสาคัญทางศาสนาหรือวันเกิดของตนวันครบรอบวันแต่งงานหรือวันครบรอบวันเสียชีวิตของผู้มีพระคุณบิดามารดาหรือวันเทศกาลต่างๆวันขึ้นปีใหม่สากลวันขึ้นปีใหม่ไทยวันสงกราน วันเข้าพรรษาวันออกพรรษาอะไรทำนองนี้เราก็จะทำทานกันสักครั้งหนึ่งการที่เราทำแบบนี้มันจึงทำให้ใจเราขาดแคลนที่พึ่งเหมือนกับขาดแคลนอาหารการทำทานนี้เปรียบเหมือนกับให้อาหารแก่จิตใจทำให้ใจมีความอิ่มเหมือนกับร่างกาย ร่างกายเหล่านี้เราให้อาหารวันละอย่างน้อยสามครั้งหรืออาจจะมากกว่านั้นสำหรับบางท่านแต่ใจเหล่านี้เรานานๆานานจะให้อาหารสักครั้งหนึ่งความหิวโหวยของใจจึงมีอยู่เกือบตลอดเวลาถึงแม้ว่าร่างกายจะอิ่มจะกินมากจนท้องกลางจนน้ำหนักเกิน แต่ใจนี้กลับไม่อิ่มตามร่างกายใจนี้กลับหิวโหวยกับความอยากต่างๆอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้อยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้นี่คือความหิวของใจที่ไม่ได้รับการเยียวยาด้วยการทำทานด้วยการให้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอน ให้พวกเราหมั่นทำทานกันให้เป็นปกติเหมือนกับการรับประทานอาหารในสมัยที่เรายังไม่เจริญเหมือนสมัยนี้สมัยก่อนสมัยที่เรายังเป็นชาวบ้านชาวอะไรกันอยู่ไม่ได้อยู่ตามเมืองใหญ่ๆเหมือนสมัยนี้หมู่บ้านมักจะมีพระมาบิณฑบาตกันทุกหมู่บ้านจะมีวัน ชาวบ้านก็จะมีโอกาสได้ทำบุญทุกวันทําทานทุกวันด้วยการใส่บาตรและมีโอกาสได้ไปวัดทุกอาทิตย์เพื่อได้ศึกษาได้ฟังเทศฟังธรรมฟังคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราต้องสร้างที่พึ่งทางใจด้วย อย่าไปสร้างที่พึ่งทางร่างกายเพียงอย่างเดียวเพราะถ้าเราสร้างที่พึ่งทางร่างกายอย่างเดียวเราก็จะสุขเครื่องเดียวสุขทางร่างกายแต่เราจะไม่สุขทางจิตใจกันสมัยก่อนนี้พวกเราชาวพุทธนี้จะใกล้กับาศาสนาใกล้กับที่พึ่งคือ ใกล้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สมัยก่อนใจของพวกเราใจของชาวพุทธมักจะไม่ค่อยวุ่นวายเหมือนใจของพวกเราสมัยนี้สมัยนี้พวกเราอยู่ห่างไกลจากวัดกันไม่ได้ทําบุญทําทานกันอย่างสม่ําเสมอเพราะว่าชีวิตของเราเปลี่ยนไปเราต้องรีบเร่งไปทํางานแต่เช้า เด่นขึ้นมาก็ต้องเตรียมตัวออกทำงานไม่มีเวลาที่จะไปใส่บาตรก่อนที่จะไปทำงานกันใจของพวกเราเลยขาดอาหารทางใจใจจึงมีความอยากอยู่เรื่อยๆและการตอบสนองความอยากของใจด้วยทำตามความอยากนั้นไม่ได้เป็นการให้อาหารกับใจ แต่เป็นการเพิ่มความอยากให้กับใจให้มีความอยากเพิ่มมากขึ้นเราอยากได้อะไรเราก็เลยไปหาสิ่งที่เราอยากได้มาแต่ความอยากที่เราที่พาเราไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มันไม่หายไปเดี๋ยวมันกลับมาใหม่มันจะกลับมาแรงกว่าเก่ามากกว่าเก่า เคยได้แค่นี้ก็อยากจะได้มากกว่านั้นได้คืบก็อยากได้สอกได้สอกก็อยากได้วาได้เท่าไหร่ก็ไม่มีคำว่าพอเสียทีพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบว่าทะเลมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ตามยังมีขอบมีฝั่ง แต่ความอยากของใจนี้มันไม่มีขอบไม่มีฝั่งมันไม่มีคําว่าพอมีแต่จะขยายออกไปเรื่อยๆกว้างใหญ่ไพศาลมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่ได้รู้จักวิธีที่จะควบคุมความอยากลดขนาดความอยากลงนั่นเอง ถ้าได้ฟังเทศฟังธรรมได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้รู้ว่าเราต้องคอยกําจัดความอยากต่างๆลดความอยากต่างๆด้วยการทำบุญทำทานกัน เ, ออเวลาที่เราอยากจะเอาเงินไปซื้อของตามความอยากที่ไม่จำเป็นจะต้องซื้อ คือถ้าไม่ใช่เป็นปัจจัยสี่ไม่ใช่เป็นที่พึ่งของทางร่างกายแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นอยากได้เสื้อผ้าเพิ่มขึ้นทั้งๆ ท, ที่มีอยู่เหลือเฟือแล้วอย่างนี้ก็ถือว่าไม่จําเป็นถึงแม้ว่าจะเป็นปัจจัยสี่แต่มันมีมากพอสมควรแล้วไม่ขาดแครนแล้วก็ไม่ควรจะซื้อ ถ้าอยากจะได้ความอิ่มใจสุขใจก็เอาเงินที่ไปซื้อเสื้อผ้าที่เราอยากจะซื้อนี้ไปทำบุญทำทานจะดีกว่าเพราะว่าเราทำบุญทำทานแล้วเราก็จะหยุดความอยากซื้อเสื้อผ้าเพิ่มได้แล้วทำให้เรามีความสุขได้และเป็นความสุขที่อิ่มไม่ได้เป็นความสุขที่หิว เหมือนกับการที่เราไปซื้อของตามความอยากต่างๆเพราะเวลาเราไปซื้อของตามความอยากต่างๆเราจะมีความสุขตอนที่เราซื้อมาใหม่ๆแต่หลังจากนั้นแล้วจะมีความหิวอยากได้เพิ่มขึ้นมาใหม่อยากได้อีกแต่ถ้าเราเอาเงินไปทำบุญทาทานนี้เราจะได้ความสุขใจอิ่มใจ จะไม่รู้สึกหิวไม่รู้สึกอยากจะซื้อเสื้อผ้าซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้เพิ่มขึ้นมานี่คือความแตกต่างกันเวลาใช้เงินตามความอยากกับใช้เงินที่ฝืนความอยากจะได้ผลต่างกันใช้เงินตามความอยากจะทำให้มีความอยากเพิ่มมากขึ้นใช้เงินฝืนความอยาก จะทำให้ความอยากลดน้อยลงไปความอยากลดน้อยลงไปความอิ่มก็จะพี่เพิ่มมากขึ้นความหิวก็จะมีน้อยลงไปนั่นเองนี่คือทำไมใจของพวกเราจึงหิวโหวยกันอยู่เรื่อยๆทั้งๆที่เราก็มีอะไรมากมายกายกองปัจจัยสี่ทางร่างกายเราก็มีสมบูรณ์ แต่ใจของเรากับไม่อิ่มไม่พอเพราะว่าเราไม่รู้จักวิธีทำให้ใจของเราอิ่มใจของเราพอนั่นเองเราไม่รู้จักอาหารของใจใจต้องการการทำบุญทาทานเป็นอาหารอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ที่เราถือเป็นสาระเป็นที่พึ่งนั่นเองเราต้องอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คอยสอนคอยบอกวิธีสร้างที่พึ่งทางใจให้แก่พวกเราที่พึ่งอันแรกคืออาหารของใจก็คือการทำฐานเหมือนกับอาหารของร่างกายร่างกายเราไม่เคยขาดอาหารเลย เรารับประทานกันได้ทั้งสามวั น, วนสามเวลาต่อวันทําไมเราทําทานสามเวลาต่อวันไม่ได้เพราะเราไม่เคยถูกสอนให้ทํานั่นเองแต่ถ้าเราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วเราก็จะรู้ว่าการทําบุญทําทานนี้เป็นคุณเป็นประโยชน์การใช้เงินตามความอยากนี้เป็นโทษดังนั้น ถ้าเราอยากจะทําให้ใจเราปราศจากความอยากซื้อของต่างๆซื้อของที่ไม่จําเป็นซื้อของตามความอยากหรือใช้เงินตามความอยากใช้ไปกับการท่องเที่ยวใช้กับการไปดูมอห์ลสบบันเทิงอะไรต่างๆทุกครั้งที่เราอยากจะใช้เงินในแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเวลาที่เราต้องให้อาหารกับใจแล้วเ แสดงว่าใจกำลังหิวอาหารลาอาหารของใจก็คือการทำบุญทำทานนี่เองเห็นทุกครั้งเวลาที่เราอยากจะฟักกระเป๋าไปซื้อของตามความอยากให้เอาไปซื้อของใส่บาตหรือเอาไปทำบุญทำบุญที่ไหนกับใครก็ได้จะทำบุญกับผู้ที่ยากไร้ก็ได้ ทำบุญกับโรงพยาบาลทำบุญกับวัดทำบุญกับโรงเรียนทำบุญกับองค์กรสาธารณกุศลต่างๆหรือทำบุญกับบุคคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทำได้ทั้งนั้นถ้าเราเห็นว่าเขาเดือดร้อนเขาต้องการความช่วยเหลือจากเรานี่คือวิธีที่จะให้อาหารกับใจ เวลาใจหิวเ ว, เวลาที่เราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ขอให้เราเข้าใจว่าใจกาลังหิ ว, วใจต้องการการทาทานไม่ใช่ต้องการสิ่งที่เราอยากได้กัน <c oughs> เ, เพราะสิ่งที่เราอยากได้เมื่อได้มาแล้วมันไม่ได้ทำให้เราอิ่มไม่ได้ทำให้เราพอแต่กลับจะทำให้เราอยากจะได้มีเพิ่มมากขึ้นไป ลองสังเกตดูสิเวลาเราซื้ออะไรมาเราอยากได้อะไรมาเลาซื้อมาแล้วความอยากซื้อของหมดไปไหมไม่หมดอกลับอยากจะซื้อเพิ่มขึ้นอีกพอซื้อของชิ้นนี้มาแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้พอออกไปข้างนอกไปเห็นของที่เขาขายตามร้านก็อยากซื้ออีกอยากได้อีก ถ้าเราต้องการกำจัดความหิวความอยากในรูปแบบนี้ในรูปแบบของการใช้เงินซื้อของต่างๆหรือใช้เงินไปทำอะไรต่างๆให้เอาเงินที่เราจะไปใช้กับความอยากนี้ไปทำบุญเพราะว่าเป็นวิธีที่จะทำให้ใจเราหายอยากกันห า, หายหิวกันทำให้ใจเราอิ่มถ้าไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีวัน อิ่มไม่มีวันพอดูสิตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราซื้อเราใช้เงินตามความอยากของเรามานานสักเท่าไหร่แล้วแล้วความอยากที่จะใช้เงินซื้อของตามความอยากต่างๆนี้มันหมดไปหรื อ, อยังมันให้ทำให้ใจเราพอหรื อ, อยังทำให้ใจเราไม่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรื อ, อยังไม่มีหรอกมันก็มีอยู่เรื่อยๆเหมือนเดิม กับจะมีมากกว่าเดิมซิ <Yeah. S 2> สมัยเป็นเด็กๆนี่เรามีเงินไปโรงเรียนวันละไม่กี่ตังค์เราก็เราก็ใช้ไปตามที่เรามี <Yeah. S 2> แต่พอเราโตขึ้นมาเราสามารถหาเงินเองได้มากขึ้น <Yeah. S 2> ความอยากมันก็มากตามกําลังซื้อของเรา <Yeah. S 2> ยิ่งมีเงินมากก็ยิ่งอยากจะซื้อมาก yeah. แล้วมันก็จะทำให้เราต้องมาวุ่นวายกับการหาเงินอยู่เรื่อยๆทำให้เราต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ต้องมาวิตกกังวลกับงานการกับรายได้ว่าจะพอกับรายจ่ายหรือไม่มักจะไม่พอเพราะว่าเราได้มามากน้อยเพียงไรเรามักจะใช้ไปกับความอยากที่มันขยายตัวมากกว่ารายได้อยู่เรื่อยๆ นี้คือการที่เราไม่รู้จักให้อาหารกับใจแทนที่จะให้อาหารกับใจกับให้ความหิวกับใจด้วยการทําตามความอยากต่างๆนี้เองวิธีที่จะให้อาหารวิธีที่จะทําให้ใจอิ่มนี้ต้องไม่ทําตามความอยากอยาก ซ, ซื้อสิ่งที่ไม่จําเป็นก็อย่าซื้อ อยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยของหรูหราก็อย่าซื้อซื้อได้ต้องซื้อของที่จําเป็นที่ขาดไม่ได้เช่นอาหารหมดนต้องไปซื้ออาหารมารับประทานถ้าเสื้อผ้าเกิดชานุดเสียหายขาดแคลนเสื้อผ้าไม่พอใช่อย่างนี้ก็ซื้อใหม่ได้หรือบ้านที่อยู่อาศัย มีปัญหาต้องซ่อมแซมหรือต้องทําอะไรก็ทําไปได้นหรือเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องซื้อยามารับประทานควรจะซื้อของทุกอย่างเหมือนกับการซื้อยาจะดีที่สุดเพราะยานี้เรามักจะไม่ได้ซื้อด้วยความอยากกันเราซื้อด้วยความจําเป็นะ ถ้าร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่ไปซื้อยามากินให้เสียเงินเสียทองหรอกแต่พอร่างกายเจ็บไข้นี้เราพร้อมเรายินดีที่จะซื้อยาทุกชนิดมารักษาร่างกายขอให้เราใช้เงินแบบนี้ใช้เงินไปกับความจําเป็นอย่าใช้เงินไปกับความอยากถ้าเราห้ามการใช้เงินกับความอยากไม่ได้ เราก็ต้องเอาเงินที่จะไปใช้กับความอยากนี้ไปทําบุญทุกครั้งที่อยากจะซื้อของที่ไม่จําเป็นต้องซื้อเอาเงินที่อยากจะซื้อนี้ไปทําบุญเสียแล้วก็จะไม่มีเงินทําตามความอยากซื้อของตามความอยากได้ถ้าเราไม่ทําตามความอยากความอยากมันก็จะลดกําลังลงไปเรื่อยๆเหมือนกับเวลาที่เราอยากจะเลิกเอ สูบบุหรี่สมมติถ้าเราติดบุหรี่วิธีที่จะเลิกสูบบุหรี่ก็ต้องฝืนความอยากสูบบุหรี่นั่นเองทุกครั้งที่อยากจะสูบบุหรี่ก็ไม่สูบไปสูบอากาศบริสุทธิ์ดีกว่าทุกครั้งที่เราคิดว่าเราอยากจะสูบบุหรี่เราก็ใช้ปัญญาเปรียบเทียบดูว่าสูดควันบุหรี่กับสูดอากาศบริสุทธิ์อันไหนมีคุณประโยชน์กว่ากัน ถ้าเราใช้ปัญญาเท่หน่อยเราก็จะฝืนความอยากได้ว่าสูบควันบุหรี่เข้าไปแล้วมันมีแต่พิษภัยต่อร่างกายโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากการสูบบุหรี่มีหลายอย่างโรคปอดโรคมะเร็งอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเราใช้ความคิดด้วยเหตุด้วยผลเราก็จะฝืนทำตามความอยากได้ฉันใดทุกครั้งที่เราอยากจะ ใช้เงินซื้อของตามความอยากต่างๆเราก็ดูผลสิว่าเวลาที่เราซื้อของตามความอยากแล้วความอยากมันน้อยลงไปหรือไม่หรือมันกลับมีเพิ่มขึ้นมามากขึ้นแสดงว่าของที่เราซื้อนี้ไม่สามารถให้ความอิ่มกับใจของเราได้แต่ถ้าเราเอาไปทำบุญดูแล้วดูสิว่าใจของเราจะอิ่มขึ้นหรือไม่ อันนี้เราสามารถพิสูจน์ได้เห็นได้นะนี่คือการสร้างที่พึ่งทางใจข้อที่หนึ่งใจก็เหมือนร่างกายใจก็ต้องอาศัยปัจจัยสี่ของใจที่จะทำให้ใจนั้นอยู่ร่มเย็นเป็นสุขข้อที่หนึ่งคืออาหารของใจได้แก่การทําทานเอาเงินที่จะไปใช้กับความอยากต่างๆนี้เอาไปทําทาน แล้วผลรับจะดีกว่าความสุขที่ได้จากการทำบุญทำทานนี้จะดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปทำตามความอยากการไปทำตามความอยากจะสุขแบบควันไฟสุขเดี๋ยวเดียวสุขแบบไม่อิ่มนะไปเที่ยวนี่มีความสุขกันพอกลับมาบ้านความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หายไปหมดในทางตรงกันข้าม ถ้าเราเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไปทําบุญไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยเพื่อนสัตว์โลกด้วยกันให้เขามีความสุขเรื่อให้เขาลดความทุกข์ของเขาลงไปบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนของเขาลงไปใจเราจะมีความสุขที่หนักกว่าอิ่มกว่าด้นานนานกว่าด้วยและทุกครั้งที่เรานึกถึงบุญที่เราทํานี้ ใจก็ยังเกิดความสุขเกิดความอิ่มขึ้นมาได้ต่างกับเวลาที่เรานึกถึงสถานที่ที่เราเคยไปท่องเที่ยวพอนึกถึงแล้วทําให้เรากลับเศร้าใจเพราะเราอยากจะไปเที่ยวใหม่แต่ยังไม่ได้ไปเพราะยังต้องหาเงินอยู่เพราะยังไม่มีเงินพอที่จะไปเที่ยวแต่พอเราคิดถึงที่ท่องเที่ยวที่เราเคยไปแทนที่จะทาให้เราเกิดความสุขใจ กับทำให้เราเกิดความเศร้าใจเพราะเราไม่ได้ไปเที่ยวเหมือนคราวที่แล้วอย่างนี้คือความแตกต่างของการใช้เงินก้อนเดียวกันใช้ให้ถูกทางแล้วจะทำให้ใจอิ่มหนำสำราญเหมือนกับการซื้ออาหารกับซื้อขนมมารับประทานใช่ซื้อขนมนี่มันไม่อิ่มเหมือนกับการซื้ออาหาร ซื้อขนมมันอร่ออร่อยมันมันมันเคี้ยวมันกินมันแต่มันไม่อิ่มท้องไม่เหมือนกับซื้ออาหารมารับประทานนี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะมาทำกันถ้าเราอยากให้ใจของเราอยู่ร่มเย็ยนเป็นสุขเหมือนกับร่างกายร่างกายของเรานี่อิ่มทุกวัน เพราะเราให้อาหารตลอดเวลาบางทีมากกว่าสามมื้อด้วยซ้ำไปยังมีของขนมมีอะไรกินระหว่างมืออ้ออีกแล้วก่อนนอนก็ยังมีอะไรกินอีกร่างกายเราจึงสมบูรณ์สมบูรณ์จนมากเกินไปจนหมอต้องคอยเตือนว่ากําลังจะเข้าขีดอันตรายเพราะสุขภาพจะเดือดร้อนถ้าร่างกายนี้ได้รับอาหารมากเกินไป แทนที่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์กับจะเป็นโทษต่อร่างกายได้ต่อไปเพราะจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นตามมาแต่ทางจิตใจนี้ไม่มีปัญหาแบบทางร่างกายทำบุญได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีไม่มีการที่จะทำให้จิตใจนี้เสียหายเดือดร้อน มีแต่ทำให้จิตใจมีความสุขเพิ่มมากขึ้นมีความอิ่มเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆนี่คืออาหารของใจถ้าเราอยากจะให้ใจเราไม่หิวโหวยเหมือนอย่างที่เราเป็นกันอยู่ขณะนี้ถ้าเรายังหิวโหวยกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ยังอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ยังอยากไปนู่นมานี่อยากทำนูน่นทำนี่นี่เรียกว่าเรากำลังขาดอาหารทางใจ เราควรจะเอาเงินที่เราจะไปทำกับสิ่งต่างๆที่เราอยากทำนี้ไปทำบุญจะดีกว่าข้อที่สองที่เป็นปัจจัยที่พึ่งของใจก็เหมือนกับที่พึ่งของทางร่างกายที่พึ่งทางร่างกายข้อที่สองก็คือเครื่องนุ่งห่มนี่เห็นไหมร่างกายของพวกเราทุกคนนี้มีเครื่องนุ่งห่มไว้สวมใส่กันตลอดเวลา ไม่อยู่แบบล่อนจ้อนไม่อยู่แบบชีเปลยเราไปไหนมาไหนนี้เราจะมีเสื้อผ้าไว้สวมใส่เสื้อผ้าก็มีหน้าที่คือปกป้องรักษาร่างกายนั้นเองหุ้มห่อร่างกายเพราะร่างกายนี้ถ้าไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็อาจจะเจ็บไายได้ป่วยได้ง่ายถ้าไปสัมผัสกับอากาศที่เย็นห ร, หรือถ้าไปถูกมแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆ ก็อาจจะทาให้เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาได้เราจึงต้องมีเสื้อผ้าไว้สวมใส่อันนี้เป็นหน้าที่หลักของของเสื้อผ้าไว้ปกป้องรักษาเรื่องกายส่วนเรื่องความสวยความงามของเสื้อที่จะเสริมความงามนี้ก็ถือให้ถือว่าเป็นของแถมก็แล้วกันอย่าไปถือว่ามันเป็นเหตุผลหลักของการมีเสื้อผ้า อาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเสื้อผ้านี้มีไว้เพื่อดูแลรักษาร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้ถูกภัยต่างๆมาคุกคามดังนั้นเสื้อผ้าจึงไม่จาเป็นว่าจะต้องสวยงามหรือไม่จาเป็นว่าจะต้องอมีราคาแพงๆถึงจะทำหน้าที่ได้เสื้อตัวเดียวกันเนี่ยเหมือนกันทุกอย่าง แต่ราคาอาจจะต่างกันเพราะสิ่งที่ทำเสื้อผ้านี้อาจจะมีทำมาจากาวัตถุต่างกันเสื้อผ้าที่มีเพชรมีพลอยประดับนี่มันก็มีราคาแพงแต่ถ้าเสื้อผ้าที่ไม่มีอะไรประดับมันก็ราคาถูกแต่ผลที่มันให้ต่อร่างกายก็เหมือนกันมันก็มีไว้ดูแลรักษาร่างกายเหมือนกันดังนั้น พระอาจาก็สอนว่าถ้าเราจะซื้อเสื้อผ้าก็ให้ซื้อเสื้อผ้าตามความจำเป็นอย่าไปซื้อเสื้อผ้าตามความลดนิยมของสังคมเพราะสังคมนี้จะหลงไปในทางที่จะทาให้วุ่นวายใจจะทาให้ทุกข์ใจไปเปล่าๆถ้าเราไปหลงกับสังคมนี้เราก็ต้องซื้อของเสื้อผ้าราคาแพงๆมาใส่ แล้วถ้าเราไม่มีปัญญาซื้อเราก็จะไม่สบายใจนันี้คือเรื่องของเสื้อผ้าทางร่างกายใช้ร่างซื้อเสื้อผ้าด้วยเหตุด้วยผลอย่าซื้อด้วยความหลงตามรสนิยมของสังคมเสื้อผ้าของจิตใจคืออะไรเสื้อผ้าของจิตใจก็คือศีลนี่เองศีลนี่เป็น สิ่งที่จะปกป้องรักษาจิตใจไม่ให้ถูกภัยคืออบายมาคุกคามเลใจของพวกเรานี้มีภัยที่จะมาคุกคามจิตใจที่จะทำให้จิตใจเราทุกข์ไม่สบายจิตใจภัยที่จะมาคุกคามจิตใจก็เรียกว่าอบายสี่อบายสี่ก็คือเดชะฉานเปรตอสุ ร, รกายและนรก นี่คือสภาพของจิตใจที่จะเป็นไปถ้าไม่มีศีลไว้ปกป้องรักษาถ้าเราไม่รักษาศีลห้าไม่ละเว้นจากการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเดิมสุรายาเมาใจของเรานี้จะเป็นเหมือนร่างกายที่ไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่เวลาร่างกายไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่ก็จะเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นไข้เป็นอะไรได้หรือถ้าถูกมแมลงสา์กัดต่อยก็อาจจะติดเชื้อได้ติดเชื้อโรคต่างๆได้อันนี้ใจก็เหมือนกันใจก็ต้องมีเสื้อผ้าไว้สวมใส่ไว้ปกป้องภัยที่จะมาคุกคามทางจิตใจภัยที่จะมาคุกคามนี้มันจะเกิดมันจะปรากฏเวลาที่เราตายไปแล้ว ขณะที่เราอยู่นี่เรายังไม่ได้ไปรับผลของการทำบาปของเรามันยังไม่จึงทำให้เราไม่เห็นผลที่เกิดจากการทาบาปแต่พอเวลาตายไปแล้วถ้าเรามีตาที่เหมือนกับพระพุทธเจ้านี่เราจะเห็นใจของผู้ที่ตายไปผู้ที่ไม่มีศีลห้านี้จะไม่ได้ไปสวรรค์จะไม่ได้มาเป็นมนุษย์ก่อนจะต้องไปเป็น เดระฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างต้องไปเป็นอสุรกายบ้างต้องไปตกนรกบ้างนี่คือที่ไปของผู้ที่ไม่มีเครื่องนุ่งห่มทางจิตใจคือไม่มีศีลหา้าถ้าเราอยากจะไม่ไปในอบายไม่ไปเกิดเป็นเดระฉานไม่เกิดเป็นเปรตไม่เกิดเป็นอสุรกายไม่ไปตกนรก เราต้องพยายามรักษาศีลห้าไว้ให้ได้รักษาตลอดเวลาไม่ใช่รักษาเฉพาะแค่วันพระวันที่เรามาวัดเท่านั้นเพราะว่าถ้ารักษาวันเดียวมันก็ปกป้องได้วันเดียวส่วนวันอื่นที่เราไม่รักษาก็จะไม่มีอะไรมาปกป้องคุ้มครองเราเราต้องพยายามรักษาให้ได้ตลอดเวลาแล้ว โอกาสที่เราจะต้องไปเกิดในอบายก็จะไม่มีจะถูกปิดอันนี้คือเสื้อผ้าอภรรของจิตใจและการที่จะทำให้เรามีศีลได้นี้ก็ขึ้นอยู่กับการไม่ไปเสพอบายมุกถ้าเราไปเสพอบายมุกอบายมุกนี้มีห้าข้อด้วยกันคือหนึ่งดื่มสุราสองเล่นการพ น, นัน สเที่ยวเตะสี่คบคนที่ชอบอบายามุกเป็นมิตรและหความเกลียดค้านการกระทำห้าอย่างนี้จะทําให้เราไปทําบาปได้ง่ายหรือจะผลักดันให้เราไปทําบาปกันเพราะว่าอบายามุกนี้ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายคนเราต้องมีรายละรายได้ถึงจะสามารถที่จะอยู่ได้กัน ถ้าไม่มีรายได้หรือรายได้ไม่พอมันก็อาจจะบังคับให้เราไปทำบาปเพื่อที่เราจะได้มีรายได้ไว้มาเลี้ยงดูร่างกายชีวิตของพวกเรานั่นเองดังนั้นอย่าไปเสียเงินเสียทองกับการเสพอบายามุขเพราะจะทำให้เราเงินทองไม่พอใช้ต่อไปเงินทางที่จะไปใช้กับของจำเป็นเช่นปัจจัยสี่ มันก็จะขาดแคลนเมื่อขาดแคลนมันก็จะบังคับให้เราต้องไปทำบาปกันนั่นเองเงินทองไม่พอใช้ก็อาจจะต้องไปลักไปขโมยไปป้นไปจี้แล้วถ้าไปป้นจี้ก็อาจจะมีการต่อสู้กันก็อาจจะมีการฆ่ากันอีกนี่คือการที่จะทำให้เราห่างไกลจากการทำบาปก็คือเราต้องอย่าไป เสพอบายามุกกันอย่าเด่มสุรายอย่าเมาอย่าเล่นการพนันอย่าเที่ยวเตรกันอย่าคบคนที่ชอบอบายามุกเป็นมิตรและอย่ามีความเกลียดคร้านหัดทำตัวให้เป็นคนขยันขยันทำงานขยันหาเงินแล้วรับรองได้ว่าเงินทองจะพอใช้จะไม่ต้องไปทำบาปเพื่อที่จะหารายได้เสริม นี่คืออาพรของของร่างกายเครื่องนุ่งห่มของร่างกายของจิตใจที่จะรักษาป้องกันจิตใจไม่ให้ไปถูกภัยคืออบายมาคุกขามผู้ที่รักษาศีลห้าได้นี่เวลาตายไปรับประกันได้ว่าไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ต้องเกิดเป็นเปรต ไม่ต้องเป็นอสูรร่างกายไม่ต้องไปตกนรกถ้าไม่ได้ทำบุญก็จะไปเกิดเป็นมนุษย์ต่อเลยแต่ถ้าได้ทำบุญด้วยนอกจากรักษาศีลแล้วแล้ทำบุญอย่างสม่าเสมอก็จะได้ไปสวรรค์ชั้นต่างๆได้ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นต่างๆจะอยู่ชั้นสูงชั้นต่ำก็อยู่ที่บุญที่เราทำ คือทานที่เราทำว่าเราทำมากทำน้อยทำทานมากให้มากก็ได้ไปอยู่สวรรค์ชั้นสูงมากให้น้อยก็จะไปอยู่สวรรค์ชั้นไม่สูงแต่สิ่งที่จะป้องกันไม่ให้เราไปอบายก็คือศีลห้าแต่ศีลห้าไม่สามารถส่งให้เราไปสวรรค์ได้เพียงแต่ปิดประตูบายเท่านั้น แต่ถ้าทำบุญอย่างเดียวไม่รักษาศีลห้าบุญก็อาจจะไม่สามารถดึงเราไปสวรรค์ได้ถ้าบาปที่เราทำมากกว่าบุญที่เราทำบาปก็จะดึงใจเราไปเกิดในอบายก่อนแต่ถ้าเราทำบุญมากกว่าทำบาปถึงแม้เราจะไม่สามารถรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเราทำบุญมากกว่าบาปที่เราทำ บุญก็ยังพอที่จะช่วยเราดึงไปสวรรค์ก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าบาปที่เราทำนั้นถูกลบไปด้วยบุญเพียงแต่ว่ายังไม่มีกำลังที่จะดึงใจไปอบายเท่านั้นต้องรอให้เวลาที่บุญหมดกำลังบุญมีกำลังอ่อนกว่าบาปถ้าบุญมีกำลังน้อยกว่าบาปเมื่อไหร่เวลานั้นแหละบาปจะดึงเราไปอบายต่อไป อันนี้คือการรักษาใจให้มีความสุขปราศจากความทุกข์ปราศจากภัยคุกคามต้องทำสองข้อแรกต้องมีปัจจัยสองข้อแรกต้องมีอาหารของใจคือการทําบุญทําทานแล้วก็ต้องมีศีลคือศีลห้าไว้ป้องกันภัยที่จะมาคุกคามต่อจิตใจถ้ามีปั ถ้ามีปัจจัยทั้งสองข้อนี้ก็จะอยู่อย่างปลอดภัยในระดับหนึ่งแต่ก็ยังยังไม่หนีไม่พ้นกับภัยอื่นๆที่ยังจะเข้ามาคุกคามได้ภัยนอกจากภัยที่เกิดจากการทำบาปแล้วก็ยังมีภัยที่เกิดจากการที่ต้องประสบกับเหตุการณ์ต่างๆในชีวิต เหตุการณ์ต่างๆที่เราประสบในชีวิตนี้ก็เป็นเหมือนมรสุมเป็นเหมือนพายุเป็นเหมือนแผ่นดินไหวเป็นเหมือนภัยทางธรรมชาติมีเหตุการณ์ที่จะทำให้ใจเราวุ่นวายอยู่เรื่อยๆไม่มีความสุขถึงแม้ว่าเราจะมีปัจจัยสี่ทางร่างกายถึงแม้ว่าเราจะได้ทาบุญทาทานรักษาศีลแต่ใจเราก็ยังถูก เหตุการณ์ต่างๆมาทำให้ใจเราวุ่นวายได้เหมือนกับคนที่ไม่มี ท, ที่อยู่อาศัย mm hmm. เวลามีฝนตกมีภัยทางธรรมชาติถ้าไม่มีบ้านก็ไปหลบก็จะก็ต้องทุกทรมานไปกับภัยต่างๆทางร่างกายเราจึงสร้างบ้านกันขึ้นมาสร้างบ้านเพื่อที่เราจะได้หลบภัยได้เวลามีภัย เช่นอากาศหนาวเย็นก็หลบเข้าไปในบ้านอากาศร้อนมากๆก็หลบเข้าไปในบ้านเข้าไปในที่ร่มที่ร่มมันดีกว่าอยู่ที่กลางแดดเป็นต้นฝนตกก็หลบไปอยู่ในบ้านได้หรือภัยจากคนที่ไม่หวังดีก็เราก็หลบได้ถ้าเราเข้าไปในบ้านโจรผู้ร้ายจะเข้าไปทําร้ายเราก็ยากถ้าเราปิดประตูเป็นหน้าต่างป้องกันไม่ให้คนเข้าไป ร่างกายก็ต้องการที่อยู่ที่เพึ่งที่อยู่อาศัยใจของเราก็ต้องการที่อยู่อาศัยเพื่อจะได้หลบภยัยหลบจากความวุ่นวายต่างๆที่เพึ่งทางใจลึบบ้านทางใจนี้เรียกว่าสมาธินี่การที่เราต้องมาฝึกสมาธิ ก, กันก็เพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะทำบุญกันอย่างสม่มเสมอถึงแม้ว่าเรารักษาศีลห้าได้อย่างสม่ำเสมอก็ตาม แต่เรายังไม่สามารถที่จะป้องกันความวุ่นวายใจต่างๆให้เกิดขึ้นภายในใจได้แต่ถ้าเรามีที่หลบเราก็สามารถหลบได้เหมือนมีบ้านถ้าเราออกไปนอกบ้านแล้วมีเหตุการณ์วุ่นวายต่างๆเราก็หลบเข้าบ้านได้ดังนั้นใดสมาธินี่ก็เป็นเหมือนบ้านของใจการมาฝึกสมาธินี่ก็เป็นเหมือนกับการสร้างบ้านให้กับใจนั่นเอง ถ้าเราม <broken, S 2> ีบ้านเวลาใจเราวุ no ่นวายกับเรื่องนั้นกับเรื่องนี้กับคนนั้นกับคนนี้ถ้าเรามีบ้านคือมีสมาธิเราก็เข้าสมาธิไปถ้าเราเข้าสมาธิได้เรื่องวุ่นวายต่างๆก็จะไม่ตามเราเข้ามาเวลาเราไม่สบายใจเกี่ยวกับคนนั้นเกี่ยวกับคนนี้เกี่ยวกับเรื่องนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้เราถ้าเข้าสมาธิได้เข้าไปในสมาธิเลย แล้วรับรองได้ว่าเรื่องวุ่นวายใจต่างๆจะหายไปจะไม่ตามเข้าไปในสมาธิเพราะในสมาธินี้เป็นที่ปลอดภัยจากเรื่องวุ่นวายต่างๆนั่นเองถึงแม้ว่าจะไม่สามารถแก้เรื่องวุ่นวายให้มันหายขาดไปได้แต่อย่างน้อยมันก็จะทำให้เรามีที่หลบภัยชั่วคราวอ่ังนั้นถ้าเรายังไม่มีสมาธินี้ ก็เหมือนกับว่าตอนนี้เรายังไม่มีที่อยู่อาศัยสําหรับใจกันถ้าเรามีเพียงแต่การทําบุญทําทานมีแต่เพียงการรักษาศีลก็แสดงว่าเรามีปัจจัยอยู่สองอย่างมีอาหารให้ใจรับประทานแล้วก็มีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มไว้ปกป้องรักษาใจเท่านั้นแต่เรายังไม่มีบ้านไว้หลบภัยต่างๆบ้านก็คือสมาธิ เราก็ต้องมาสร้างบ้านกันวิธีที่จะสร้างบ้านสร้างสมาธินี้ก็ต้องมีศีลเพิ่มขึ้นอีกสามข้อเพราะศีลห้านี้จะไม่สามารถที่จะช่วยให้เราทําสมาธิได้เพราะศีลห้าจะไม่ห้ามเราไม่ให้ไปทากิจกรรมอื่นๆนั่นเองการที่เราจะทําสมาธิได้เราต้องมีเวลามาทา แต่ถ้าเรารักษาศีลห้าเพียงอย่างเดียวนี้ศีลห้ายัางไม่หม้ไม่ห้ามให้เราไปทํากิจการอื่นๆเช่นไปร่วมหลับนอนกับแฟนหรือไปรับประทานอาหารเย็นกันหรือไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือไปดูมหรสลพบันเทิงต่างๆหรือเสริมสวยความงามต่างๆเพื่อออกไปตามงานต่างๆอันนี้ ถ้าเรามาถือศีลแปดเราก็จะถูกห้ามไม่ให้ทำกิจกรรมเหล่านี้พอเราไม่ทำกิจกรรมเหล่านี้เราก็จะมีเวลาว่างเวลาที่เราจะได้มาสร้างบ้านคือสมาธินั่นเองเราจะได้มาถือศีลเราจะได้มาเจริญสติพุทโธพุทโธพอสตินี้เป็นเครื่องมือหรือเป็นวัสดุที่เราต้องมีในการสร้างบ้าน เวลาเราสร้างบ้านทางใจทางร่างกายเราต้องมีวัสดุก่อสร้างเราต้องไปซื้อปูนซื้ออิฐซื้อหินซื้อทรายซื้ออะไรต่างๆมาถึงจะสร้างบ้านได้ฉันใดบ้านของเราทางใจคือสมาธิก็ต้องมีวัสดุก่อสร้างวัสดุที่จะมาสร้างบ้านทางใจเรียกว่าสตินั่นเองสตินี้ก็มีอยู่สี่สิบชนิดด้วยกัน ที่เราสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของเราบางคนก็ชอบใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธบางคนก็ชอบใช้การดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายบางคนก็ชอบดูลมหายใจเข้าออกบางคนก็ชอบดูอาการสาสิบสองของร่างกายแล้วแต่ที่เราจะชอบกันเราสามารถ ใช้อารมณ์เหล่านี้เป็นเครื่องสร้างสมาธิได้ในตำราท่านก็สแสดงไว้ถึงสีสิบชนิดด้วยกันเรียกว่ากรรมฐานสีสิบกรรมฐานคืออารมณ์ที่เราจะใช้ในการเจริญสติเป็นวัสดุที่จะสร้างสมาธิสร้างบ้านให้กับใจนั้นเราสามารถไปทดลองศึกษาแล้วเลือกดูเอาว่าอันไหนเหมาะกับเราเราก็ใช้อันนั้นไป ถ้าเราหมั่นเพียรเจริญสติอยู่เรื่อยเช่นวันไหนว่างจากภารกิจการงานเราก็ลองไปอยู่วัดสักวันเพราะวัดนี้เป็นที่เหมาะต่อการสร้างบ้านของใจนั่นเองวัดก็ต้องเป็นวัดที่ส่งเสริมการสร้างบ้านเพราะเดี๋ยวนี้วัดมีหลายแบบบางวัดก็ส่งเสริมการสร้างวัตถุแทนที่จะสร้างบ้านทางใจก็ส่งเสริมสร้างวัตถุกัน สร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างอะไรกันถ้าไปวัดแบบนั้นก็จะไม่ได้สร้างบ้านทางใจไม่ได้สร้างสมาธิต้องไปวัดที่ส่งเสริมการสร้างบ้านทางใจต้องเป็นวัดที่สงบไม่มีกิจกรรมทางร่างกายไม่มีทางวัดด้านวัตถุมีแต่ทางด้านสติเป็นสถานที่ที่ส่งเสริมการเจริญสติ สถานที่จะส่งเสริมการจเจริญสตินั้นต้องเป็นสถานที่ที่สงบวิเวกไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆไม่มีแสงสีเสียงต่างๆมาคอยรบกวนใจไม่มีกิจกรรมอะไรต่างๆให้ทำนอกจากการเดินจงกรมและนั่งสมาธิสลบับกับการฟังเทศฟังธรรมนี่คือวัดที่เราควรจะไปกัน ถ้าเราอยากจะสร้างบ้านคือสมาธิให้กับใจของพวกเราต้องไปหาที่ที่เหมาะสมแล้วก็ต้องรักษาศีลแปดให้ได้ถ้าไปอยู่ที่เหล่านั้นเขาก็จะบังคับให้เราถือศีลแปดโดยอัตโนมัติถ้าเราไม่ถือเขาก็จะไม่ให้เราอยู่อันนี้เป็นเหมือนตั๋วที่จะไปอยู่วัดการจะไปอยู่วัดนี้ต้องตีตัว๋วต้องตือต้องถือศีลแปดเราถึงจะให้ไปอยู่ได้ พอเราอยู่วัดถือศีลแปดเราก็ไม่ทำกิจกรรมอะไรนอกจากเดินจงกรมนั่งสมาธิสลับกับการฟังเทศฟังธรรมไปทั้งวันจนถึงเวลาพักผ่อนหลับนอนถ้ามีการกระทาอย่างต่อเนื่องก็เหมือนกับการสร้างบ้านที่มีการสร้างกันอยอย่างต่อเนื่องเวลาเขาสร้างบ้านนี้เขาไม่ได้ทำกันแบบสามวันดีสี่วันไข้เขาทากันทุกวัน บ้านเรือนจึงสามารถสำเร็จภายในกำหนดเวลาที่เขากำหนดได้ไดันใดถ้าเราอยากจะสร้างสมาธิสร้างเรือนใจเราก็ต้องทำอย่างสม่าเสมออย่างต่อเนื่องแต่ในเบื้องต้นนี้เราอาจจะยังไม่สามารถทำได้เต็มที่ก็ขอให้ถือว่าเป็นการไปหัดสร้างก่อนก็แล้วกันเช่นเราไปอยู่วัดในวันพระวันหยุดทำงานนี่ก็เป็นเหมือนกับการไปฝึกสร้างบ้านก่อน ถ้าอยากจะสร้างจริงๆนี้เราต้องทำอย่างต่อเนื่องทำแบบทุกวันถึงจะได้ผลถ้าทำแบบอาทิตย์ละครั้งนี้มันจะน้อยเวลาจะน้อยไปรลอถึงแม้ว่าเวลาทำงานก็ยังทำอยู่แต่ทำได้เพียงวันละครึ่งชั่วโมงอย่างนี้ก็ยังถือว่าน้อยอยู่แต่ดีกว่าไม่ได้ทำเป็นการซ้อมไว้ก่อนเป็นการเตรียมตัวไว้ก่อนเท่านั้นเอง แต่การที่จะสร้างบ้านสร้างสมาธิสร้างความสงบให้กับใจได้นี้ต้องทำอย่างต่อเนื่องเลยเจ็ดวันเจ็ดเจ็ดวันต่ออาทิตย์ยี่สบสี่ชั่วโมงยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นที่เราจะไม่สร้างสมาธิกันไม่สร้างสติกันถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องเหมือนพวกนักบวช ท, ทั้งหลายนี่ส่วนใหญ่ผู้ที่จะได้สมาธิได้เลื่อนใจนี้จะเป็นนักบวชกัน เพราะพวกนักบวชนี้เขาไม่มีงานอื่นทำเขามีงานสร้างบ้านคือสร้างบ้านให้แก่จิตใจเท่านั้นเองเขาจึงได้สมาธิกันแต่พวกเรานี่ยังมีภารกิจหลายด้านมีภารกิจทางด้านร่างกายของเราภารกิจด้านร่างกายของคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยมันก็เลยทำให้เราไม่มีเวลาพอที่จะมาสร้างบ้านทางใจของเราแตอย่างน้อยก็ให้เรารู้ว้ว่านี่แหละ คือที่หลบภัยของใจถ้าเราอยากจะหลบภัยเราต้องพยายามสร้างบ้านใจเลือนใจขึ้นมาให้ได้คือสมาธิแต่เลือนใจที่เราใช้หลบภายนี้ก็เป็นบ้านแบบชั่วคราวเราจะเข้าไปได้เป็นพักๆเท่านั้นเองเราไม่สามารถอยู่ในบ้านของสมาธิได้ตลอดเวลาเข้าสมาธิได้สักระยะหนึ่งเราก็ต้องออกมาเพราะเรายังมีภารกิจเกี่ยวข้องกับร่างกาย ร่างกายยังต้องได้รับการดูแลต้องรับประทานอาหารต้องอาบน้ำอาบท่าต้องเข้าห้องน้ำต้องทำอะไรต่างๆให้กับร่างกายเราเลยต้องออกเข้าๆออกในสมาธิกับออกมาข้างนอกแต่พอเราออกมาข้างนอกเราก็จะมาเจอภัยต่างๆเหมือนเดิมมาเจอเรื่องที่ทำให้ใจเราไม่สบายเหมือนเดิมถ้าเราอยากจะรักษา เรื่องวุ่นวายใจต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะที่เราไม่อยู่ในสมาธิเราก็ต้องใช้ยามารักษาเพราะความวุ่นวายใจที่เราไม่ได้รับการดูแลเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธินี้ก็ถือว่าเป็นโรคของใจนี่เองความวุ่นวายใจต่างๆที่จะหายไปอย่างเด็ดขาดนี้ก็หายได้ด้วยการใช้ยาของของใจยาของใจก็คือปัญญานี่เอง หลังจากที่เราทำสมาธิได้แล้วขั้นต่อไปพระพุทธเจ้าก็สอนให้เรามาสร้างปัญญากันมาสร้างยาเพื่อที่จะกำจัดความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆที่เป็นโรคของใจให้หมดไปอย่างถาวรโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปในสมาธิต่อไปไม่ต้องไปหลบเข้าไปในบ้านถ้าเราสามารถกำจัดเรื่องวุ่นวายใจต่างๆในขณะที่เราอยู่นอกบ้านได้เราก็ กำจัดมันเลยอันนี้วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดเพราะจะทำให้ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆนี้หายไปหมดจะไม่มีความทุกข์ต่างๆมาเหยียบย่ำจิตใจต่อไปต้องใช้ปัญญาคือยาเรียกว่าธรรมโอสถยาของธรรมโอสถแปลว่ายาธรรมแปลว่าคาสอนของพระพุทธเจ้าธรรมโอสถของพระพุทธเจ้าก็คือ การให้เราเห็นใจรักนี่เองให้เราเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราวุ่นวายด้วยนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังแล้วนะตาอย่าไปยุ่งกับมันเพราะไปยุ่งกับมันแล้วจะทําให้เราวุ่นวายใจถ้าเราไม่ไปเกี่ยวข้องกับมันไม่ไปยุ่งกับมันเราจะไม่วุ่นวายใจเราสังเกตดูสิทุกวันนี้ที่เราวุ่นวายใจนี้วุ่นวายใจกับเรื่องที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยหรือเรื่องที่เราไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย เรื่องที่เราไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเราไม่วุ่นวายใจเลยเช่นตอนนี้เขาเลือกตั้งกันนี้เราวุ่นวายใจไปกับเขาปะเราไม่ได้วุ่นวายใจเพราะเราไม่ได้ไปอยากจะไปเป็นสสไม่ได้ไปลงสมัครเลือกตั้งแต่พวกที่ไปลงสมัครเรื่องตั้งตอนนี้เป็นไงวุ่นวายั้ยวุ่นวายกับเรื่องป้ายเรื่องอะไรเดี๋ยวคนนั้นก็ป้ายเราทุกป้ายเราทิ้งเอาป้ายเรายิงป้ายเราบ้างอะไรบ้าง วุ่นวายเพราะเราไปยุ่งกับมันเองถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันเราไม่วุ่นวายหรอกเนี่ยถ้าเราเห็นว่ามันเป็นตายรักเป็นทุกข์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็ไม่ไปุยุ่งกับมันแต่ปัญหาคือเราไม่เห็นที่เรายุ่งกับสิ่งนั้นสิ่งนี้กับคนนั้นคนนี้เพราะเราไม่เห็นเขาว่าเป็นเขาเป็นตายรักเราไม่เห็นเขาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาล้วกับถูกความหลงหลอกให้เราไปเห็นว่าเขาเป็นนิจจังสุขังอัตตา ได้เขามาแล้วจะได้ความสุขเขาจะอยู่เขาอยู่กับเราเป็นของเราไปเรื่อยๆไปตลอดเนี่ยนี่เป็นนี่เป็นเหตุที่ทำให้เราไปยุ่งกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปยุ่งกับคนนั้นคนนี้แล้วก็ทำให้เราวุ่นวายใจไปกับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเราเห็นตายรักเห็นว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็ไม่ยุ่งดีกว่าปล่อยเขาอยู่ตามสภาพของเขาไปเห็นหมสิ่งที่เราไม่ยุ่งด้วยเราทุกข์ม คนที่เราไม่ยุ่งด้วยเราทุกข์แต่สิ่งที่เรายุ่งด้วยทุกข์หรือเปล่าคนที่เรายุ่งด้วยทุกข์หรือเปล่าเราไปเพราะเราไปยุ่งเขาเองเราไม่เห็นว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไปเห็นว่าเขาเป็นของเราเขาเป็นแฟนเราเป็นลูกเราเป็นสามีเราเป็นภรรยาเราเราก็เลยไปทุกข์กับเขาแต่ถ้าเราเห็นว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรกับเราเราไม่ทุกข์เลยใช่คนที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราเนี่ย เราไม่ทุกขกับเขาไม่วุ่นวายใจไปกับเขาเลยเขาจะเป็นเขนจะตายอย่างไรก็เชิญตามสบายเลยแต่พออะไเป็นของเราขึ้นมานี่โอ้โหวุ่นวายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะไม่มีปัญญาไม่เห็นว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา น, นั่นเองดังนั้นถ้าอยากจะให้เราหายขาดจากความวุ่นวายใจกับสิ่งต่างๆเราต้องมาพยายามสอนใจเราให้มองมุมกลับให้ได้ อย่าไปมองเห็นว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาขอให้มองว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนตัตตาแล้วเราก็จะได้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเขารือถ้าต้องเกี่ยวข้องด้วยก็เกี่ยวข้องแบบไม่ไปมีอารมณ์กับเขาเขาจะเป็นจะตายเขาจะดีจะชั่วก็เรื่องของเขาเกี่ยวข้องกันได้แต่ไม่เกี่ยวข้องแบบผูกพันไม่เกี่ยวข้องแบบยึดถือว่าเขาเป็นนิจจังสุ ข, ขังอัตตา เกี่ยวข้องแบบว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะไม่มีความวุ่นวายใจหลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปใจของเราก็จะไม่มีวันกลับมาเกิดอีกต่อไปเพราะเราจะเห็นว่าโลกนี้มันมีแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นจะกลับมาหามันทำไมผู้ที่มีปัญญาแล้วจะไม่มีวันที่จะกลับมาเกิดอีกต่อไปผู้ที่ยังเห็นว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาอยู่ ก็จะต้องมีการกลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆเพราะยังคิดว่าเป็นสุขอยู่ยังเป็นของเราอยู่ยังเป็นนิจจังอยู่นั่นเองแล้วก็ต้องมาร้องหม่มร้องไห้มาวุ่นวายใจไปกับสิ่งที่เราไปคิดว่ามันเป็นนิจจังสุขขังอนัตตาเพราะความจริงมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกขขังแปลว่าอะไรก็คือความไม่สบายใจนั่นเองพอไปเกี่ยวข้องกับของเหล่านี้ของที่ไม่เที่ยงของที่ไม่ใช่ของเรา มันก็จะทำให้เราทุกข์ใจทำให้เราวุ่นวายใจกันนี่คือยารักษาโรคใจถ้าเรามียารักษาโรคใจแล้วเราก็หายจากความเจ็บไข้ได้ป่วยทางจิตใจและเราก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายกต่อไปเราก็จะอยู่แบบสบายไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับเราเพราะไม่มีอะไรจะให้ความสุขกับเราได้ นอกจากปัจจัยสีทางธรรมเท่านั้นคือทานศีลสมาธิและปัญญาถ้าเรามีครบถ้วนบริบูรณ์แล้วใจเราก็จะอยู่ไปอย่างมีความสุขตลอดเวลาไม่ต้องมามีอะไรให้ความสุขกับเราอีกต่อไปไม่ต้องมาเกิดไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปอย่างนั้นขอให้พวกเราให้ความสาคัญกับการสร้างปัจจัยของใจดีกว่าสร้างที่พึ่งทางร่างกาย ที่พึ่งทางร่างกายมันดีขนาดไหนมันก็แค่ตายเท่านั้นมีมากมีน้อยมันก็ตายเหมือนกันสู้มาสร้างที่พึ่งทางใจดีกว่าเพราะใจนี้ไม่มีวันตายถ้าใจมีที่พึ่งมีความสุขแล้วก็จะสุขไปตลอดมีที่พึ่งไปตลอดก็คือนี่คือเรื่ององค์ประกอบของชีวิตของพวกเราที่สําคัญที่สุดก็คือใจใจเป็นนายกายเป็นบ่าวร่างกายเป็นของชั่วเกาว ร่างกายเราไม่มีเราก็อยู่ได้ถ้าใจเรามีปัจจัยสี่ใจของเราก็ไม่ต้องมีร่างกายมาให้เราวุ่นวายต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร อ, อยะทาวาเรวะหาบุราปาริโกเลนติสากลังเอวเมวะอโิโตทินนางเปตานางังอุปกปตี อิทิตังปัติตังตุมหังกิปะเมวัสเมจฉาตสัพเพปเรนตุสังกปามยันโทปนาราโสยธามนิโชติราโสยธาสพิติโยวิวาจจานตุสัพพโรโควีนัสตุ มาเตภาวตวันตราโยสุขีทีกายุโกภาวะพิวัฒนสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารุธรรมาวัานติอายุวันโสุขังภาลัง ลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาใครมีคำถามอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้ใครไม่อยากจะถามเองอยากจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็จะมีผู้อ่านคำถามให้วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ทาง f a c e b o o สามร้อยสี่สิบเก้าคนครับทาง y o u t u สองร้อยสามสิบคนครับวิทยุออนไลน์ยี่สิบคนครับ กราฟังบนเขาหนึ่งร้อยสิบเก้าคนครับรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยสิบแปดคนครับพระอาจารย์ใครอยากจะถามก็ยกมือขึ้นมาจะส่งไมไปให้ถ้าไม่มีก็ถามทางบ้านเลยคำถามจากบนเขานะคะกราบนามัสการพระอาจารย์เพราะเกิดมาจนจึงอยากจะทำทานถึงแม้บางครั้ง อาจจะเบียดเบียนตัวเองบ้างช่างมันอย่างนี้จะได้บุญไหมเจ้าคะถ้าเป็นเงินของเราเองแล้วเรายินดีที่สละก็ไม่ไม่ไม่เสียหายตรงไหนเป็นบุญนะเป็นบุญเป็นบุญยิ่งใหญ่กว่าบุญธรรมดาบุญที่เบียดเบียนตัวเองนี่เป็นเหมือนโพธิสัตว์นะยินดีที่จะยอมอดเพื่อให้คนอื่นเขาอิ่มอย่าง เรียกว่าเป็นบุญของพระโพธิสัตว์นะครับทำบุญแบบสุดๆนะถ้าบุญแบบไม่สุดก็แบบธรรมดาเป็นพวกสาวกกระพพวกพุทธภูมินี่มักจะทำบุญแบบสุดๆคำถามจากคุณวิโรธค่ะเรียนถามพระอาจารย์เวลาบวชเราต้องทิ้งครอบครัวหมดแต่ถ้าทำไม่ได้ ก็ยังบวชไม่ได้ใช่ไหมครับคือไม่ได้ทิ้งหรอกก็ออยังเกี่ยวข้องกันได้ยังเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องอะไรกันอยู่เพียงแต่ว่าไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันท่นั้น เ, เหมือนแยกไปทางานแยกไปโรงเรียนยเวลาเราไปโรงเรียนเ้าส่งเราไปเรียนกินนอนนี้เราก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านาเวลาไปบวชเราก็ไปกินนอนที่วัดท่านั้นเองแต่ยังติดต่อกันได้ยังคุยกันได้ยังอะไรกันได้อยู่ไม่ ยังถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าช่วงที่เรียนหนังสือนี้จะไม่มีเวลาที่จะมาใกล้ชิดกันคำถามจากคุณละมูนค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับผมทำงานที่ต่างประเทศเจอคนที่นี่ดีบ้างไม่ดีบ้างอยากถามว่าเคยมีกรรมร่วมกันไหมครับ ถึงได้มาเจอกันและมาใช้ชีวิตร่วมกันครับคือคนน่ยมีทุกแห่งทุกคนเหมือนกันมีดีบ้างไม่ดีบ้างการที่เราไปเจอดีบ้างไม่ดีบ้างนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาไม่เกี่ยวกับเรื่องของกรรมอะไรแต่การที่เราได้ไปถูกอกถูกใจกับคนนั้นคนนี้หรือไม่ถูกอกถูกใจกับคนนั้นคนนี้อาจจะเป็นเรื่องของบุญเรือของบาปที่เราทามาในอดีตก็ได้ ถ้าเจอคนนี้แล้วไม่ชอบขี้หน้ากันเกลียดขี้หน้ากันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขากับเราเคยเกลียดขี้หน้ากันมาก่อนถ้าเจอคนนี้แล้วชอบกันรักกันก็แสดงว่าเคยชอบเคยรักกันมาก่อนคำถามจากคุณพรสวรรค์ค่ะเรียนพระอาจารย์ค่ะแม่อายุเก้าสิบแปดปีฝากถามว่าหากลูกเสียชีวิตที่จังหวัดหนึ่ง แล้วทำบุญอีกจังหวัดหนึ่งผู้เสียชีวิตจะได้รับบุญไหมคะได้ทำที่ไหนก็ได้อยู่เมืองไทยเมืองนอกบุญนี้สามารถส่งไปถึงผู้ผู้รับได้คำถามจากคุณเคป๊อค่ะกราพระอาจารย์การที่เราประสงค์เป็นเจ้าภาพทำบุญแค่ผู้เดียวกับการบอกบุญให้ผู้อื่นได้ร่วมบุญกับเราแตกต่างอย่างไรคะ หนูหมายถึงอนิสงของเจตนาทั้งสองอย่างเจ้าค่ะคือถ้าเราทำคนเดียวเราก็ได้บุญคนเดียวเราเหมาทุกอย่างเป็นแต่ถ้าเราแบ่งให้คนอื่นทำด้วยเขาก็ได้บุญเขาก็ได้แบ่งเราก็แบ่งให้ก็ได้บุญด้วยแต่เราก็จะไม่ได้เต็มร้อยถ้าเราต้องการเต็มร้อยเราก็ทำแบบไม่บอกใครถ้าเราอยากจะให้คนอื่นเขาได้ทารุ่นด้วยเพราะบางคนเขาไม่สะดวกที่จะทาเอง เขาอาจจะต้องรอให้คนอื่นทำแล้วเขาถึงจะไปร่วมทำได้เราก็บอกเขาไปว่าอ่าวันนี้ปีนี้จะไปทำบุญกับถินที่วัด น, นีเนะอ่ะนี่เรียกว่าบอกบุญแต่อย่าไปแจกซองน ะ, ะแจกซองนี่เรียกว่าบังคับบุญไม่ได้บอกบุญนะบอกได้แต่อย่าไปบังคับถ้าเขาอยากจะได้ซองเดี๋ยวก็ถามเองเอพี่ไม่มีซองเลยเอารีบหยิบให้เขาเลยเก็บไว้ในกระเป๋ารอไว้ก่อน ท่านก็ถามว่าอ้าวพี่ไม่มีซองเหรืออ้ามีต้องการกี่ซองอันนี้ก็หยิบให้เขาได้ขอให้เขาถามแต่อย่าไปหยิบให้เขาการหยิบไปให้เขานี่เป็นการบังคับบุญไม่จะไม่ได้บุญได้บุญก็น้อยเพราะว่าไม่ได้ทําด้วยความยินดีทําด้วยการถูกบังคับเหมือนถูกเราเสียภาษีนี่ถ้าเรายินดีเสียภาษีเชื่อไหมเราจะได้บุญแต่เราถูกบังคับให้เสียนี่เราจะไม่ได้บุญ นะนั้นก็มีตรงนี้ถ้าทําคนเดียวเป็นยาภาพคนเดียวก็จะได้เต็มร้อยแต่ถ้าคิดถึงเพื่อนที่เขาไม่มีกําลังที่จะทําได้เองเพราะบุญบางอย่างนี้มันต้องมีคนร่วมกันทำํำเช่นปลูกกุฏิปลูกศาลาอะไรเงี้ยทําคนเดียวบางทีต้องเป็นคนรวยจริงๆถึงมีเงินที่จะทําทได้แต่คนอื่นที่เขาไม่มีเงินแต่เขาอยากจะร่วมเขาก็ร่วมไม่ได้ถ้าเราไม่ไปบอกบุญเขา แต่บอกบุญอย่าไปบังคับบุญนะบอกบุญเพียงแจ้งให้ทราบว่าปีนี้จะไปสร้างศาลาที่วัดนูน้นวัดนี้ใครอยากจะร่วมบุญก็เชิญนะอย่างนี้พูดได้แต่อย่าไปเอาซองไปแจกเขา อ, อันนี้เป็นการบังคับบุญเหมือนกับไปรีดภาษีเขาอ่งนีคำถามต่อไปจากคุณทิพย์ค่ะเรียนพระอาจารย์ค่ะขอถาม ถ้าเราตื่นเช้ามานั่งสมาธิวันละหนึ่งชั่วโมงแต่จิตไม่สงบแต่ทุกวันก็ยังอยากนั่งสมาธิอยู่ไม่ทราบว่าถูกไหมคะที่ทำก็ใหม่ๆ ม, มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ก่อนอะจะทำอะไรใหม่ๆ ม, มันยังไม่ได้ผลมันต้องฝึกไปเรื่อยๆก่อนถ้าไม่ฝึกเลยยิ่งไม่ได้ผลใหญ่ยันก็มีเวลามากนั่งได้มากหลายพยายามนั่งไป แล้วก็ต้องสังเกตด้วยว่านั่งถูกหรือเปล่าด้วยไม่ใช่นั่งไปแบบ เ, เหมือนกับ เ, เขาเรียกอะไรท่อนสุงท่อนอะไรท่อนไม้ไม่ใช่นั่งเราต้องรู้ว่าเรานั่งแล้วมีสติอยู่หรือเปล่าหรือนั่งแล้วใจเราก็ยังคิดเหมือนกับตอนที่เราไม่นั่งก็อย่าไปนั่งดีกว่าถ้าเวลานั่งแล้วต้องควบคุมความคิดต้องบังคับให้มันอยู่กับพุทธโธอยู่กับลมหายใจเข้าออก ถ้ามีการควบคุมอยู่เรื่อยๆต่อไปก็อาจจะสงบได้ถึงแม้ว่าจะนั่งวันละชั่วโมงก็ตามคำถามต่อไปจากผู้ประสงค์ไม่ออกนามครับลูกเราป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและได้พบหมอแล้วช่วงเวลาดูแลเขาเราควรปฏิบัติอย่างไรครับหรือมีแนวคิดทางธรรมมาปฏิบัติครับ ก็ถ้ามีเวธีที่จะทำให้เขาคลายความเศร้าได้ก็ทำไปเตืนชวนให้เขาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมอะไรทำนองนี้แต่ถ้าเขาไม่ทำก็อย่าไปบังคับเขาก็ต้องปล่อยให้เขาเป็นไปตามบุญตามกรรมของเขายิ่งไปบังคับเดี๋ยวเขายิ่งเศร้าใหญ่ยิ่งซึมเศร้าใหญ่คาถามต่อไปจากทาง YouTube นะคะกราบนามัส ก, การพระอาจารย์ครับ กระผมเมื่อหนึ่งถึงสองปีที่แล้วเคยภาวนาสมถะจนเกิดปิติรู้สึกถึงความสงบดีมากแต่ปัจจุบันมีเวลาภาวนาน้อยลงเรารู้สึกจิตใจไม่สงบเหมือนแต่ก่อนจึงอยากทราบว่ากระผมควรปฏิบัติอย่างไรครับอ่าก็ต้องปฏิบัติเิก็ต้องนั่งสมาธิต้องฝึกสติ ถ้าไม่ทำมันก็ไม่ได้ของอย่างนี้ทำแล้วหนเดียวแล้วมันพอไม่ทำต่อมันก็หายได้มันยังไม่ได้เป็นแบบชนานาญถ้าชนานาญแล้วถึงแม้อาจจะหยุดไปสักพักก็ยังกลับมาทำต่อได้แต่ถ้าไม่ชนานาญนี่มันจำทางไม่ได้มันเคยไปเข้าไปครั้งเดียวพอครั้งต่อไปจะกลับเข้าไปจำทางไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าไปบ่อยๆเราก็จะจาทางได้ต่อไปถึงแม้เราจะไม่ว่างเราไม่มีเวลาจะนั่ง เราก็จะไม่ลืมทางพอถึงเวลาเราอยากจะนั่งเราก็เข้าไปในทางเดิมเราก็เข้าสู่ความสงบได้ยังงการฝึกฝนอบรมนี่เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะยิ่งทำมันก็ยิ่งจะรู้มากขึ้นเข้าใจมากขึ้นเห็นทางได้มากขึ้นแล้วต่อไปมันก็จะจําทางได้คำถามต่อไปจากคุณสมใจเจ้าค่ะอยากถามพระอาจารย์ ถ้าลูกป่วยเป็นโรคซึมเศร้าะจะถามแ<ผ>ล้วนี่เมื่อกี้ใช่ไหมอ่าน อ, อ่านอ่านลองถามดูแล้วว่าอันเดียวกันนะอ่านไปถ้าลูกป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจะพาไปหาหมอแต่ลูกไม่ยอมให้ความร่วมมือในการรักษาพ่อแม่ควรทําจิตแบบไห น, นดีคะก็อย่าไปบังคับเขาเลยอืม คำถามจากคุณวาสนาหนูชอบช่วยเหลือคนที่เขาขาดแคลนหนูจะได้รับบุญกุศลไหมคะได้เหมือนกันคนขาดแคลนส่วนใหญ่การช่วยเหลือก็ต้องช่วยคนขาดแคลนไปช่วยคนไม่ขาดแคลนมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคำ ถ, ถามจากคุณทิติพันธ์ค่ะกราพ้าจาย์มันดาไม่รู้หนังสืออ่านไม่ได้แต่มันดาอยากสวดมนต์ได้ ลูกอยากช่วยให้มันดาได้บุญต้องทำอย่างไรดีคะเอาเทพที่เขาสวดมนต์นี้เปิดให้แกฟังแล้วก็ให้แกสวดตามให้แกหัดท่องจำตามไปต่อไปก็แกก็จะจำได้สวดบ่อยๆทุกวันทุกวันเดี๋ยวมันก็จำได้คำถามจากคุณจกักริดค่ะได้ยินพระบางท่านสอนว่าบุญหรือบาปอุปมาเหมือนเติมน้ำใส่ตุม่มที่มีความที่มีความเค็มอยู่ ถ้าเราเติมน้ำใส่ตุ่มความเค็มในตุ่มก็จะหมดไปบาปก็จะไม่ส่งผลอุปมาเหมือนน้าในตุ่มจริงหรือไม่ครับคือความเค็มมันไม่หมดไปหรอกเพียงแต่ว่ามันถูกน้ำเจือจางให้มันไม่ไ ม, ไม่ส่งไม่ส่งความเค็มออกมาทั้งนัง้นแต่วัาไห น, ไหนถ้าน้ำมันเหือดแห้งขึ้นไปเดี๋ยวความเค็มมันก็กลับคืนมาใหม่ใช่ไหมถ้าเราเปิดฝาตุ่มไว้แล้วน้ำมันระเหยไประเหยไป ลยของความเค็มมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเหมือนเดิมบาปบุญก็เป็นแบบนี้มันไม่ได้มันไม่ได้ทำลายล้างกันมันเพียงแต่ม า, าสแสดงอิทธิพลต่อต่อกันคู่แข่งกันได้ถ้าบุญมากกว่าบาป บ, บุญบาปก็ยังไม่สามารถส่งผลได้แต่เวลาใดบุญมันน้อยกว่าบาปเวลานั้นบาปมันก็จะส่งผลทันทีคาถามที่สองนะคะ สอบถามพระอาจารย์ครับข่าวล่าสุดพระธุดงค์ท่านไปปกักกรดนั่งสมาธิแต่มีช้างป่ามาเหยียบท่านตายเป็นเพราะเหตุบังเอิญหรือเพราะกรรมของพระท่านเองครับก็จะเป็นเหตุอันไหนมันก็ตายเหมือนกันเนี้ไม่ต้องไปกังวลว่ามันเป็นเหตุอะไรให้ให้เห็นว่าเกิดมาแล้วมันต้องตายด้วยกันทุกคนเน่ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนเวลาไหน ถึงเวลามันจะตายมันก็ตายวันแล้วเหรออย่าไปคิดถึงไอ้เรื่องที่ไม่ควรจะคิดดีกว่าควรจะไปคิดว่าทําไงไม่ให้มาตายดีกว่าเอการที่จะไม่มาตายก็ต้องไม่มาเกิดการที่จะไม่มาเกิดก็ต้องไปหยุดเหตุที่พาให้เรามาเกิดเหตุที่พาให้เรามาเกิดก็คือตัณหาความอยากนี่การมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา เหตุที่จะทำให้เราหยุดการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาได้ก็คือตายรักนี่เองขอให้เราเห็นตายรักในทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราก็จะไม่มีความอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อไม่มีความอยากได้ก็จะไม่มีการกลับมาเกิดเมื่อไม่กลับมาเกิดก็จะไม่มีการตายตามมาต่อไปคิดแบบนี้ดีกว่าจะได้ประโยชน์กว่าดีกว่ามานั่งคิดว่าเขาตายเพราะเหตุใดมันมีหลายเหตุไม่หายใจก็ตาย ไปอยู่ใกล้ทางช้างผ่านมันก็เจอช้างช้างผ่นมันเจอเข้ามันก็เหยียบตายได้หรือไปแหย่ช้างก็ได้จะไปรู้ว่าท่านไปทําอะไรกับช้างช้างบางทีมันอาจจะไม่ทําเราแต่เราไปแหย่มันมันทําให้มันโกรธขึ้นมามันก็มันก็ทําเราได้ดังนั้นอย่าไปสนใจกับเรื่องเหตุให้มากเกินไปเลยมาสนใจวิธีที่ทำให้ไม่มาตายกันดีกว่าคําถามต่อไปเจ้าค่ะ เวลานั่งสมาธิจะโยกไปมาเป็นเพราะอะไรเจ้าคะเพราะไม่มีสตินั่งแบบไม่มีสตินั่งมีสติจะไม่โยกถ้าดูลมไปจะไม่โยกฟุทโทไปจะไม่โยกถ้านั่งเฉยๆไปเดี๋ยวไปล่ะโยกไปโยกมาคำถามต่อไปกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะเวลานั่งสมาธิมีช่วงหนึ่งเรารู้สึกตัวเบา แล้วคำบริกรรมพุทโธหายไปรู้สึกเหมือนตัวเราหลับในสมาธิแล้วชมลมหายใจไปชั่วขณะหนึ่งแล้วเราแล้วเราดึงลมหายใจกลับมารู้สึกเหมือนขาดอากาศหายใจนี่คือเราหลับในสมาธิหรือไม่มีสติเจ้าค่ะเหมือนกันนะ่ไม่มีสติมันก็หลับนะดังนั้นต้องมีสติอยู่เรื่อยๆนะ จะได้ใจจะได้ไม่ไม่หลับใจจะได้ตื่นแต่จะสงบเวลาสงบกับเวลาตื่นแล้วสงบนี่ต่างกับเวลาหลับแล้วสงบเวลาหลับแล้วสงบนี่แสดงว่านอนหลับไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเวลาไม่หลับแล้วสงบนี่จะรู้ทันทีว่าโอ้ตอนนี้จิตเราสงบมีความสุขเหลือเกินยังต้องมีสติคอยประครับประครองใจตลอดเวลาต้องประครบ ต้องมีสติประกบกับใจอย่าปล่อยให้ใจอยู่ลําพังถ้าอยู่ลําพังแล้วเดี๋ยวไม่ฟุ้งซ่านก็หลับไม่อย่ั้นก็สร้างภาพต่างๆมาหลอกเราอ่อนี่ก็วิธีนั่งสมาธิที่ถูกต้องต้องนั่งด้วยการมีสติกํากับใจมียังไหมยังไม่มาน ะ, ะไม่มาเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวขอพักกินน้ําสักพัก ถ้าไ ม, มาเดี๋ยวก็อาจจะปล่อยให้นักเรียนกลับบ้านได้การปฏิบัติธรรมนี้ต้องศึกษาก่อนต้องเรียนรู้วิธีก่อนถึงค่อยมาทําถึงจะได้ผลถ้าไม่ศึกษาวิธีทำทําแล้วจะไม่ได้ผลและอาจจะได้ผลที่เสียหายเหมือนกับการทํากับข้าวเนี่ยอยากจะทํากับข้าวถ้ายังไม่เคยทํามาก่อนทําไม่ได้หรอก ทำแล้วมันจะไม่ได้กับข้าวที่เราต้องการถ้าต้องการกับข้าวที่เราต้องการต้องไปถามแม่ครัวว่าเขาทาอย่างไรไปเรียนจากเขาดูก่อนพอเห็นวิธีทากับข้าวแบบนั้นแล้วเราก็ลองมาทำดูแล้วเราก็จะได้กับข้าวแบบเดียวกับที่เราอยากได้การนั่งสมาธิถ้าอยากจะได้ผลแบบที่พระเจ้าสอนก็ต้องเรียนจากพระพุทธเจ้าก่อน ไม่จากพระพุทธเจ้าก็เรียนจากพระธรรมคำสอนไม่จากพระธรรมก็ต้องเรียนจากพระอริยสงสาวกแล้วเราก็จะได้รู้จากวิธีที่จะทำใจของเราให้เกิดความสงบเกิดสมาธิขึ้นมาต้องเรียนก่อนมีคำถามจากทางอินบ็อกค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกสาวของลูกทำงานในที่แห่งหนึง่ง เราเกิดเข้าใจผิดกับเพื่อนร่วมงานแต่ลูกสาวของลูกไม่ผิดแต่แต่เขายอมขอโทษทั้งทั้งที่ลูกบอกว่าไม่ให้ขอโทษแต่เขาบอกว่าขอโทษไปแล้วจะได้จบจบเขาทำอย่างนี้ถูกหรือไม่เจ้าคะถ้าการขอโทษไม่เป็นการสารภาพผิดก็ไม่เสียหายตรงไหนขอโทษพ่อไม่ต้องการให้มีเรื่องมีราวกัน แต่ถ้าขอโทษแบบว่าเราไม่ได้ทำผิดแล้วเราไปบอกว่าเราผิดนี่มันก็เป็นการโกหกก็ไม่ควรถ้าเราไม่ผิดเราก็เฉยแต่ขอโทษได้ขออภัยถ้าเกิดทำอะไรให้เกิดความไม่พอใจถึงแม้ว่าจะเป็นความจริงแต่คุณไม่พอใจเราก็ขอโทษได้คำถามจากคุณจักริดคะ่ะเรียนถามพระอาจารย์ครับ คนที่มีปัญญาน้อยในชาตินี้มีโอกาสบรรลุธรรมบ้างไหมครับได้ทุกคนที่มีของน้อยก็สามารถทําให้มีมากขึ้นได้มีปัญญาน้อยก็ต้องหมั่นศึกษาหมั่นเล่าเรียนหมั่นฟังเทศฟังธรรมอยู่บ่อยๆถ้าฟังเทศฟังธรรมไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวปัญญาก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เพราะหนึ่งในอา น, นิสงส์ของการฟังธรรมก็คือจะได้ปัญญาได้สัมมาทิฏฐิ น, นั่นเอง แล้วพอได้สัมมาทิฏฐิก็จะได้การหลุดพ้นตามมาต่อไปน mm hmm. ขอให้เรามีความขวนขวายมีความภาคเพียงที่จะฝ่รู้ฝ่ศึกษาเท่านั้นน่ะแล้วปัญญามันก็จะตามมาอย่างแน่นอนคำถามจากคุณจตุรนค่ะกราบนมัส ก, การพระอาจารย์บางครั้งฝันเป็นจริงเกิดจากอะไรหรือว่าเป็นบางเรื่องบางเอิญจะหรือว่าเป็นเรื่องบางเอิญครับ ก็มันเป็นอะไรก็เป็นไปตามความเป็นจริงนั่นแหละมันเป็นจริงก็รู้ว่ามันเป็นจริงมันไม่จริงก็รู้ว่าไม่จริงเท่านไม่เห็นจําเป็นจะต้องไปถามว่ามันเป็นเพราะอะไรคําถามจากคุณมณีค่ะการมตัิหาเกิดจากอะไรภาวะตันหาเกิดมาจากอะไรและวิภาวะตันหาเกิดมาจากอะไรคะก็เกิดจากความหลงที่ไปเห็นว่ามันเป็นนิจจังสุขขังอัตตานั่นเอง เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าเห็นรูปเสียงกลิ่นรสว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตามันก็เกิดการมตัญหาขึ้นมาเห็นการเป็นสสอว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตามันก็เกิดตัญหาอยากจะเป็นสสอขึ้นมามันเกิดจากการไปเห็นว่ามันเป็นนิจจังสุขขังอัตตาแต่ถ้าไปเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขขังอนัตตามันก็จะไม่เกิดความอยากต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาหมดแล้วยัง